นโมทัส萨ภควาโตอะระหัโตอะสัมมาสัมพุทธาสังนโมทัส萨ภควาโตอะระหัโตอะสัมมาสัมพุทธาสังนโมทัส萨ภควาโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธาสังพุทธังธรรมังสังขังมาสามี โดยปกติวันมากรูปชาวิสากรปูชาสาระปูช า, า, า, ชาต้องคุณธมามแสดงธรรมต้องเริ่มต้นด้วยประโยคว่าวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาแต่มีวันใดไหไมในชีวิตของเราที่ไม่เป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาในชีวิตของเรามีไหมวันที่มันไม่สำคัญ มันสําคัญหมดเลยวันที่ไม่สําคัญไม่มีหรอกแต่วันที่มันสําคัญกว่าหมู่ก็ไม่มีถ้าเราเข้าใจในคําสั่งสอนพระพุทธองค์ทางการที่เราม า, าฉลองหรือม า, อาทําบุญในโอกาสวิสาขบูชาก็เพราะว่าวิสาขบูชา ไม่ใช่วันสำคัญเพราะว่าทุกวันก็วันสำคัญมันสำคัญทำไมมันสำคัญอย่างไรอันนี้ก็เพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้โดยความไม่ปลอดภัยมีศัตรูคือความแก่ความเจ็บความตาย ลอมกรอบเลยชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ไม่แน่นอนในเมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้อีกกี่ปีกี่เดือนกี่วันกี่นาทีกี่วิ น, นา ท, นนาทีทุกวันทุก ชั่วโมงทุกนาที่ทุกอินนาที่มีค่าฉะนั้นผู้ที่อยู่นอกพุทธศาสนาบางทีเขาเข้าใจผิดเขาบอกว่าพุทธศาสนามองโลกมองชีวิตในแง่ร้ายความเป็นจริงมันตรงกันข้าม เราเป็นผู้ที่ให้เกียรติแก่โลกให้เกียรติแก่ชีวิตของมนุษย์มากที่สุดถือว่ามีค่าทุกเวลานาที่มีค่าสำหรับผู้มีปัญญาแต่ถ้าหากว่าเราใช้เวลาไม่เป็นเวลาก็ใช้เราเวลาก็ฆ่าเรา แล้วก็ตายเปล่าๆฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงย้ำอยู่เสมอว่าชีวิตของเรามีค่าอย่าประมาทในชีวิตของตนถ้าว่าเราเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเทพเป็นพรหมก็โอเคชีวิตยาวเหลือเกินเป็นกับเป็นกันอยู่ล่านปี ยังไม่มีผลงอกแม่เส้นเดียวแต่พวกเราอยู่ในโลกไม่กี่สิบปีผมงอกเต็มหัวแล้วก็ยังไม่ตื่นตัวในการประพฤติปฏิบัติเช่นวันนีเ้เป็นวันที่เรามาร่วมกันเพื่อจะเ่ลึกถึงคำสั่งสอนของ พระพุทธองค์ละเพื่อจะได้ข้อคิดในการที่จะน้อมเข อ, อาสูจิตใจของเราให้จิตใจของเราได้ดึงดําอยู่ในรสพระธรรมเพราะถ้าหากว่าเรายัางไม่ได้ชิมรสของพระธรรมแล้วยากที่จะได้ปล่อยวางความมูเมาหลงไหล ในสิ่งไร้เกลนสารสาระทั้งหลายเพราะชีวิตของมนุษย์ต้องการความสุขอันนี้ก็เป็นกฎตายตัวที่เราจัดพิเศษไม่ได้แต่มันสำคัญที่ว่าเราหาความสุขอยู่กับสิ่งใดหาความสุขที่ไหนถ้าหากว่าเรายังไม่เคยได้ฝึกฝนอบรมจิตยังไม่เชื่อว่า ความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่เลิศที่ประเสริฐเราจะยังไม่กล้าที่จะสลัดทิ้งความเพลิดเพลินในทางโลกฉะนั้นกา ร, รปฏิบัติเป็นวิชาแสวงหาความสุขของมนุษย์ สำหรับผู้ที่ต้องการฉลาดความฉลาดความรอดคอบในการแสวงหาความสุขเพราะถุกวันนี้สังคมอย่างปนเปวนวุ่นวายด้วยมนุษย์เราตินรนกระเสือกกระสนหาความสุข ไม่ได้แต่ไม่ได้สักทีแทนที่จะได้ชุกคิดแทนที่จะได้จะได้ตระหนักว่าการแสวงหาความสุขของเราผิด พ, พลาดและไม่ตรงจุดว่าก็กลับเขาใจผิดว่าสิ่งนี้ถูกแล้วแต่เพียงแต่ว่าเรายังได้น้อยไปถ้าได้มากกว่านี้ ความรู้สึกอ้างว้างวาวเว่บคงจะหายความรู้สึกลึกๆว่าเราขาดอะไรสักอย่างมันก็จะดับไปคิดว่าปัญหาอยู่ที่ว่าเราอย่าง น, น้อยไปในมากกว่านี้ก็คงจะขอยังชั่วและคงจะดีแต่ความสุขที่เราได้จาก รูปเสียงกลิ่นรสโธพธิภะทำอารมณ์เป็นความสุขจริงอันนี้เราไม่ได้ว่าอะไรฮะแต่นเป็นความสุขที่ยังไม่สมบูรณ์เป็นความสุขที่มีความปกพร้องมากและเป็นความสุขที่มักจะนำความทุกข์มาสู่เราที่หลังหรือแม่ในขณะที่เรากาลังเสเวยความสุขยังอาจจะมีความรู้สึก ไม่สบายอย่างหนึ่งเช่นเราอาจจะเคยสังเกตตัวเองว่าในขณะที่เรากำลังมีความสุขมันจะมีศูนย์หนึ่งของจิตใจที่ไม่สงบมันก็ยังกิ้นอยู่นิดๆเช่นอ า, อาจจะรู้สึกอยากจะให้มันดีกว่านี้หน่อยเรา อ, อยากจะให้มันยิ่งมากกว่านี้อีกถ้าเรา เรามีความสุขขนาดนี้แล้วถ้าใดมากมากกว่านี้เราคงจะสุขกว่านีอ้อันนี้ก็เป็นความเล็วชัดชัดแต่บางทีกิเลสมันจะมาในในรูปของอความดีเช่นบางทีเราบางทีกำลังสนุกสนานกำลังมีความสุขแล้วก็มาคิดถึง อีกคนหนึ่งโอ้ถ้าคนนี้ก็จะได้เห็นกับเราเขาคงจะมีความสุขในอาตมาก็เคยเป็นบ่อยอย่างเนี้ยเวลาจะมีความสุขแล้วมันแม้เราสุขคนเดียวมันมันเหมือนก็เห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยคือมันจะมีอะไรนิดนิดที่มันจะมันจะไม่ยอมอยู่กับสิ่งที่เรากำลังเสเพย อ, อยู่หรือกำลัง เผชิญอยู่ในการแสวงหาความสุขเราคงจะไม่ต้องผูกถิงความตึงเครียดความอิจฉาพยาบาทในเมื่อเราเห็นคนอื่นเขาได้สิ่งที่เราอยากได้และเขาได้ดีกว่าเราและความเศร้าโศกเสียใจในเมื่อสิ่งที่เราได้แล้วด้วยความยากลําบากคอยเสริมไปเสียไปแืะผลัดพระจากเราไป ดังนั้นพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่จะยัดเยียดคำสอนอปังคับให้เชื่ อ, อเพราะว่าคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมันไม่ใช่ทรฤษีไม่ใช่ปรัชญาอะไรหรอกอแต่ท่านมาปัญญ์ยัดความจริงที่ปรากฏในพระถ่ายของท่าน ให้เราได้ทราบให้เราได้รู้เพราะว่าพระพุทธองค์ท่านก็ไม่ใช่เทพไม่ใช่พรหมไม่ใช่ลูกพระเจ้าที่ไหนท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเราและความจริงหรือว่าธรรมชาติของประทายของท่านก็ไม่มีอะไรผิดแผกจากธรรมชาติของจิตใจของพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นความจริงที่ท่านได้บรรลุในวันวิสาขบูชา2500ปีก่อนที่แล้วก็อันเดียวกัน กับความจริงที่ปรากฏอยู่ในจิตใจอของเราทุกวันนี้เพียงแต่ว่าเรามองข้ามเราไม่ได้สนใจที่จะหันมาดูความจริงอันนี้เมื่อเราไม่เข้าใจในชีวิตของตนไม่เข้าใจตัวเองตามความเป็นจริงแล้วการที่จะ สร้างประโยชน์แก่ตนสร้างประโยชน์แก่คนอื่นก็คงยากถึงจะเมถึงแม้ว่าจะมีเจตนาดีถ้าขาดปัญญาแล้วมักจะไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรทีนี้ถ้าท้าให้ฉลาดตอนนี้จะท้อถอยน้อยใจว่าเจตนาดีอยากจะช่วยเขาเขาก็ไม่เชื่อฟังเขาก็ไม่ทำตาม หรือว่าทำยังไงเราเราก็พยายามทำความดีเราก็ไม่เคยโกหกใครไม่เคยหลอกลวงใครแต่ไม่เห็นจะได้ดีก็เขาสีทีน้อยใจเสียใจดังนีการสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์คนอื่นนี่ต้องประกอบด้วยปัญญาบางที่เราก็แค่สันนิษฐานเอาเฉย ทำอะไรแบบซุมสีซุมหา้ามันก็ไม่ค่อยจะได้หรอกมันเสียเวลาฉะนั้นพระพุทธองค์ตอกมาถ้าเรารู้จักตัวเองแล้วเราจะรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก่อนตอนอาตมาเป็นนักเรียนเป็นเป็นคนใฝ่รู้อยากจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ไปในห้องสมุดใหญ่ๆ ห, หรือไปในร้านหนังสือใหญ่ๆบางที่ที่เมือง น, นอกนี่ร้านหนังสือสีห้าชั้นหนังสือเป็นหมืน่นเป็นแสนท้อใจว่าชีวิตของเรานี่มันสั้นเกินไปก็คงไม่มีเวล า, าที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากรู้รู้สึกกลุ้มใจในต่อมาได้ได้เจอคำสอนของพระพุทธ อ, องค์ชึงทราบว่าไม่ไม่ต้องก็ได้ เรารู้ตัวเองแล้วก็ตีแล้วรู้ตัวเองก็เท่ากับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทั้งจักรวาลเลย เ, เพราะว่ารู้หลักการรู้ความจริงและพระพุทธองค์สอนว่ า, าในเมื่อชีวิตของเรามีค่าทุกวัน ท, ทุกเวลามีค่าจากนั้นเราต้องระมัดระวังในการใช้เวลา ให้มันคุ้มค่าของมันทราบอกว่าสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งที่เราจะสนได้สนใจในโลกนี้มีมากมายเหลือเกินแต่เราต้องเลือกอเราต้องเลือกสิ่งที่มีค่าต่อชีวิตมากที่สุดและรัดตัดสินของท่านว่าอะไรควรอะไรไม่ควรศึกษาหรือไม่ควรสนใจ ก็คือสิ่งใดตับทุกได้นั่นแหละเป็นสิ่งที่น่าสนใจสิ่งใดถึงจะสนุกสนานจะเพลิดเพลินจะ อ, อะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าตับความทุกในใจของเราไม่ได้หรือไม่ช่วยให้เราตับความทุกของเผื่อนมนุษย์ตามบอกว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเพราะเราเกิดมาในโลกนี้ เพื่ออะไรก็เพื่อจะดับความทุกข์ที่นี้ถ้าเราหลับตาต่อความจริงของธรรมชาติของตัวเองไม่สนใจไม่ใส่ใจกลบเกลื่อนความทุกข์ของตัวเองเก็บกดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่ยอมรับสนใจแต่เรื่องนอกตัวเราเราจะไม่เห็นความทุกข์ เมื่อไม่เห็นความทุกข์มันจะไม่มีความกระเดือรือร้อนที่จะดับความทุกข์ที่บอกว่าไม่เห็นความทุกข์นั้นบางคนอาจจะปฏิเสธว่าทุกคนเห็นความทุกข์หรอแต่ทีนี้พระพุทธองค์พูดถึงการกำหนดรู้ความทุกข์ในฐานะที่เป็นภาว ะ, อะของธรรมชาติ เป็นของสากลไม่ใช่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นทุกข์คือการกำหนดรู้ความทุกข์ะมันต่างกันถ้ารู้สึกว่าโอ้ตัวเองทุกข์เหลือเกินทุกข์มากทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ทุกข์กับครอบครัวทุกข์กับเศรษฐกิจตกทุกข์กับอะไรตออะไรอันนั้นยังไม่ถึงว่าเห็นอริยสัจคือความทุกข์มันยังผัวพันยัง ยังเกี่ยวกับตัวอัตตาตัวตนมากไปแต่การกำหนดรู้ความทุกข์เกิดจากการเห็นความทุกข์เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ย่อมเกิดกับมนุษย์เราต่อเมื่อเรามีอวิชชามีความไม่รู้ไม่เข้าใจในชีวิตจิตใจของตน นันจุดเริ่มต้นของอาการพัฒนามนุษย์คือการฝึกหยุดหยุดอยู่กับตัวเองไม่ปล่อยให้จิตวิ่งไปตามอารมณ์วิ่งไปในอนาคตวิ่งไปในอดีตแต่ฝึกให้จิตใจมีความพอใจมีความสันโดษมากน้อยในขณะปัจจุบัน อยู่กับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่อยู่กับคนที่เรากําลังคุยกันอยู่บางครั้งนี่พูดกันไม่รู้เรื่องทำไมฮะนี่ปัญหาโลกแตกพูดกันพูดกันายพูดกันมายิ่งพูดกันก็ยิ่งไม่เข้าใจกันเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับคนคนนั้นที่จริงเราก็อยู่แต่ กับสัญญาของตัวเองกับความคิดของตัวเองก็กรตราหน้าว่าคนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เมื่อเขาพูดอะไรเทนที่จะรับฟังสิ่งที่เขาพูดเราก็แปลความหมายตามภาพที่เราเคยสร้างไว้ว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้ส ม, มติว่าเราเห็นว่าคนนี้ไม่ไม่น่าไว้ใจเป็นคนไม่ดีเป็นคนเห็นแก่ตัวเขาพูดอะไรแล้วเราก็จะแปลทางความหมายอันนี้หมดเลย มันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเสริมความคิดเดิมของเราเลกควาไมไม่ได้อยู่ในปัจจุบันกับคนนั้นไม่ได้อยู่ในโลกที่เป็นจริงกัรปุกราวที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ไม่มีโอกาสที่จะได้รู้โลกที่เป็นจริงรู้แต่เป็นโลกมายารู้แต่โลกแห่จงจินตนาการโลกแห่งความโลกความโกรธความหลงชีวิต ของคนที่ไม่ได้ปฏิบัติจึงเป็นทาสจึงอยู่ในกรอบที่คับแคบมากนะมาอยู่ในกรอบแห่งความคิดกรอบแห่งความเศร้ามองของจิตซึ่งจ ะ, ะทำให้แต่ละคนแต่ละคนอยู่ในโลกศูนย์ตัวของเขาแล้วก็ไม่่อยได้สัมผัสกับคนอื่นเท่าที่ควร หรือว่าสัมผัสกับคนอื่นเป็นไปในทางที่จะกอบกวยพ้นประโยชน์เท่านั้นเองเพราะว่าหลงเชื่อว่าเรากับเขานี่ต่างกันแต่ถ้าเร า, าลืมตาต่อความจริงเราจะเห็นว่าไม่มีใครในโลกนี้ยูโดดเดียวได้ทุกคนต้อง อ, อยู่สัมพันธ์กับคนอื่นและก็ตัวเอก็มีการ เป็นหนี้บุญคุณของคนอื่นทั่วโลกพวกเราถ้าหากว่าไม่มีใครช่วยดูแลช่วยในในในด้านต่างๆแล้วคงจะมีชีวิตไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีบุญคุณต่อเราแม่ไส่เดือนถ้าไส้เดือนไม่ได้กินดินไม่ได้ย่อยดินเราจะปลุกปลุกเขาไม่ได้ พกข้าวไม่ได้ก็ไม่มีอะไรกินมันก็ตายเรามีชีวิตได้เพราะสายเดือ น, นทุกสิ่งทุกอย่างก็มีบุญคุณต่อเราย่านพุทธศาสนานี้ไม่ต้องเรียนจะต้องศึกษาอะไรมากก็ได้เพียงแต่วา่าเป็นคนที่ชอบพิจารณาชอบดูด้วยเองชอบเรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตของตัวเองว่ า, าวันนี้เราเป็นทุกข์บ้างไหม เป็นสุขบ้างไหมที่เราเป็นทุกข์วันนี้เป็นเพราะอะไรบ้างเป็นสุขเพราะเพราะอะไรบ้างและความสุขที่เราได้สเสวยวันนี้เป็นความสุขที่เย็นสบายหรยือเป็นความสุขที่เร่าร้อนเป็นความสุขที่เกิดจากกุศลหรือเป็นการความสุขที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียดเอาเปรียบคนอื่นสนใจในเรื่องนี้ สนใจแต่เรื่องความสุขเรื่องความทุกข์เพราะถ้าเราเต้องการความสุขในชีวิตเราก็ต้องรู้ว่าตัวความสุขมันเป็นยังไงไม่ใช่สัตว์ไดว่าเชื่อคนอื่นสัตว์ได้ว่าเชื่อการโฆษณาว่าเราได้บริโภคสิ่งนั้นเราได้ซื้อสิ่งนี้เราได้ครอบครองสิ่งนั้นเป็นทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของเราเราจะมีความสุขแต่เราไปเชื่อทีวีเชื่อการโฆษณาเลียว่าโง้อ มันไม่ฉลาดมันไม่ไม่เป็นชาวพุทธชาวพุทธเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาด้วยการพินิจพิจารณาดูมาดูเรือดูอย่างพินิจพิจารณารอบครอบทุกเรื่องรู้ว่านี่มันคืออะไรมันเกิดยังไงมันมีคุณแก่เราอย่างไรบ้างมีโทษยังไงแก่เราบ้างซึ่งต้องรู้จักหยุด อย่างที่หลวงพ่อท่านสอนนี่เสมอว่าวิ่งตามก็ไม่ทันต้องหยุดก่อนจึงจะทันถ้าเราหยุดแล้วมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเราอาตมานั่งอยู่บนธรรมานี้มองประตูใครจะเข้าใครจะออกอาตมาก็รู้หมดอเพราะว่าหยุดนิ่งแต่าอาตมาก็เดินไปเดินมาคุยกับคนนั่นเข่าห้องนั่งออกหงเนี่ยก็คงไม่รู้เหมือนกันแต่พอเราหยุดนิ่ง เราก็รู้หมดท่า น, นการหาเวลาในแต่ละวันที่จะหยุดนิ่งอันนี้ก็เป็นกิจจำเป็นในชีวิตของเราเพื่อจะได้สำนึกในคุณค่าของชีวิตของตนเพื่อจะได้หยุดเสียบ้างทีนี้เราอยู่ในโลกมันก็มีกิจกรรมกิจการระตัวมากแล้วก็ต้องทาหน้าที่หลายๆอย่าง บางที่ต้องเป็นทั้งทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งเจ้านายทั้งลูกน้องทั้งอะไรหลายๆลายหลายอย่างเหลือเกินมันรู้สึกกดดันนะฮะก็ธรรมดาแต่ถ้าเรานั่งสมาธิภาวนาดูร่วมหายใจเข้าลงหายใจออกการเป็นพ่อการเป็นแม่การเป็นพี่การเป็นน้องการเป็นลูกน้องเข้าการเป็นเจ้านายเข้าเขาเป็นนั่นนหายหมด นี่เราก็เปิได้พักพรจากการเป็นคนนั้นคนนี้ได้พักพรจากการเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงจาัด ก, การเป็นผู้แก่ผู้หนุ่มผู้สาวไม่เป็นอะไรเลยมีแต่ธรรมชาติล้วนๆกับผู้รู้ผู้เติมผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นถ้าเราให้เวลาในการนั่งสมาธิทุกวันให้แก็บเวลาก็แต่การไม่เป็นใครอพอลืมตามาแล้วมันรู้สึก สดชื่นเบิกบานพร้อมที่จะรับหน้าที่ต่อไปอืพวกเรานี่จะมีการเคลื่อนไหวที่เกิดประโยชน์ก็ต้องรู้ความไม่เคลื่อนไหวคือความนิ่งเพราะว่าการเคลื่อนไหวกับการนิ่งมันอยู่ด้วยกันมันต้องหาความสมดุลหาความพอดีในชีวิตฉะนั้นในวันนี้ที่เป็นถือว่าเป็นวันวิสาขบูชาเป็นการ รำลึกถึงวันที่เราถือว่าเป็นวันที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงพิสูจน์ให้พวกเราว่าชีวิตที่เป็นอิสระจากความทุกข์เป็นได้เป็นสิ่งที่มนุษย์เราหวังได้ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์เพราะที่พระพุทธองค์ทรงปัรลุอนุธรศน์มาสัมโพธิญาในวันนั้น ก็เป็นในฐานะาที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเพื่อให้พวกเราทราบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำได้ เ, เราก็มีความทุกทุกคนแต่ทางพ้นทุกมีอยู่เราชาวพุทธเราต้องเชื่อมั่นในข้อนี้ว่ า, าทางพ้นจากความทุกมีอยู่แล้วมันไม่พ้นสมัยทุกวันนี้เหมือนมันยังมีอยู่ทุกวันนี้ ผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้ า, าเป็นพระอระหันต์พระอนาคามีพระสกิทธาคามีพระโสดาบันยังมีอยู่หนทางมันก็ยังมีอยู่คําสังสอนมันก็ยังมีพร้อมครูบาอาจารย์ที่เมตตาให้คำแนะนําสังสอนมันก็ยังมีอยู่พร้อมอาดัง น, นั้นทํำไมเราจะอ มัวเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่ประเด็นเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่อการตับความทุกข์เป็นทุกข์ไม่อยากเป็นทุกข์แต่ทํำไมเราชอบเพาะพูนเหตุให้เกิดความทุกข์อยู่เรื่อยทํำไมเราชอบเสียดายกิเลสกิเลสมันคืออะไรมันมันมีอะไรหนักหนาที่จะฮวงแหวนมันละเกินที่จริงแล้ว กิเลสมันคืออะไรรู้ไหมมันเป็นขี้ใจของโซกโปกเกิดในหูก็เรียกว่าขี้หูของโซกโปกเกิดในตาเรียกว่าขี้ตาของโซกโปกเกิดในฟันเรียกว่าขี้ฟันของโซกโปกเกิดในใจก็เรียกว่าขี้ใจแต่พุทธองค์ท่านก็ไม่อยากเมื่อนาอตมาท่านก็ใช้คําว่ากิเลสแต่ความหมายก็คือขี้ใจนี่ขี้ตาขี้หูขี้ฟันขี้อย่างเออนี้เราก็ ขยันมากในการชาระแต่ขี้ใจนี่ทำให้เราปล่อยให้มันกึก i ังให้มันสกปรกให้มันเหม็นอยู่ตลอดชาติเลยไม่เคยคิดจะทำอ้างแต่ว่าไม่มีเวลาทีา่มาว่าบุ๋นน้อยวาสนาน้อยอยังไม่พร้อมมันเป็นงานของเราที่ต้องทำเป็นหน้าที่ของเรา เพราะว่าเราเพราะอะไรฮะเพราะเราเป็นมนุษย์เพราะเราเป็นชาวพุทธก็ถือว่าถ้าเราจริงใจในความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจริงใจในความเชื่อว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้จริงนั้นก็ย่อมหมายถึงว่าเรามีความเชื่อมั่นว่ามนุษย์มีสกยลภาพมีความสามารถที่จะรักสรุธรรม เมื่อเรามีความเชื่อมั่นอย่างนี้ถ้าเชื่อมั่นว่าตัวเองอะละบาปได้บำเพ็ญกุศลได้ชำระจิตใจของตนได้และเราไม่ทำไม่ละบาปสักทีไม่บำเพ็ญกุศลสักทีไม่ชำระจิตใจของตนสักทีเราจะเราจะเป็นชาวพุทธที่ดีได้ไหมสมเชื่อไหมที่จะเป็นชาวพุทธ ถ้าพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราทำอย่างนี้แล้วเราไม่ทำมันน่าเสียดายทนในวันนี้ก็เป็นวันที่เราควรจะระลึกถึงเป่าไมายชีวิตของเราเป่าไมายชีวิตนะไม่ใช่เรื่องจะทํามาหากินจะร่าจะรวยอันนั้นก็เป็นเรื่องรลงลงมาไม่ได้ปฏิเสธถ้าเราแสวงหา ความสำเร็จในทา ง, ทางโลกที่อยู่ในการค ร, ครคอบครอบ ข, ของสิ่งธรรมนี้ไม่ว่าแต่อยา่าไปเลื่อมเป้าหมายสูงสุดของเราคือการไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสล้วก็ต้องพยายามให้กิจกรรมในแต่ละวันของเราให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายของเราการทามาหากินการอ ะ, อะไรต่ออะไร ถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าสอดคล้องไม่กับเป้าหมายชีวิตที่สิ่งที่เราทําลังทําอยู่ทุกวันนี้ทําด้วยสติปัญญาและทำด้วยกิเลสตัณหาทาอย่างนี้แล้วผูกอย่างนี้แล้วเป็นไปเพื่อการดับทุกข์หรือเป็นไปเพื่อการทำให้ความทุกข์ ก, กำเริบเพร่สารต้องดูอยู่ตรงนี้นี่คือการประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนา พุทธศาสนานี่ไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์ไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองมันอยู่ที่กายวาจาใจของชาวพุทธทุกคนพุทธศาสนาจะเจริญพุทธศาสนาจะเสื่อมก็เจริญและเสื่อมกับคุณธรรมภายในจิตใจของเราท้าเรา่ละเลยในงานนี้ยากที่เราจะ ให้พระพุทธศาสนาเจริญพระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่นอกตัวเรามันอยู่ที่เราเราละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของคตนเต็มความสามารถเรียกเรเรราียกว่าเราได้ช่วยเสริมต่ออายุ ข, ของพระพุทธศาสนาเราได้บำรุงพระพุทธศาสนา อ, อย่างดีที่สุดวันนี้อขอคนใดให้ขอคิดแต่แสดงธรรม ก็สมควรกนเวลาตอนกลางคืนก็คงจะต่อกักัน